หลักปฏิปทาเครื่องดำเนินอันเป็นศูนกลางและเหมาะสมอย่างยิ่งคือทุดงขวัตรีบสามข้อนี่เป็นเครื่องดำเนินสำหรับพระผู้เห็นไัยเพื่อจะหลุดพ้นจากไัยให้ถึงแดนกเกษมคือพระนิพพาน ส่วนประกอบภายในจิตอารมณ์ของจิตเครื่องดำเนินของจิตได้แก่กรรมฐานสี่สิบห้องดังที่ท่านแสดงไว้จะเป็นบทใดก็ตามในกรรมฐานสี่สิบห้องนั้นที่เห็นว่าเหมาะสมกับจริตนิสัยของผู้ปฏิบัติเป็ น, นารายไป ย่อมยึดเอาทาบทนั้นๆที่ตนชอบเ้ามากรรมกับใจที่เรียกว่าบริกรรมภาวนาดังอนุสติสิบนี่มีพุโทโธธรรมโมสังโฆเป็นต้นอยู่ในอนุสติสิบนี้เราจะเอาบทใดหรืออนาปานสตินี่ เหมาะสมกับทมเหล่านั้นเหมาะสมบทใดเหมาะสมกับจดิตนิสัยของผู้บำเพ็ญรายใดพึงนำทำบทนั้นเข้ามากากับใจให้เป็นบริกรรมภาวนาหรือกาหนดรู้เช่นลมหายใจเข้าออกไม่ต้องบริกรรมหรือบริกรรมก็ได้ตามแต่ความถนัดใจ ทำให้บริกรรมก็ให้รู้ลมเข้าลมออกลมสัมผัสที่ตรงไหนมากพึงดั้งสติลงที่จุดนั้นเช่นดั้งจมูกเป็นต้นเปที่ผ่านเข้าออกของลมอย่างเด่นชัดรู้ได้ชัดสัมผัสมากกว่าที่อื่นๆก็ ก, ก, กำหนดที่ตรงนั้นไว้ ให้ความรู้คือใจนั้นอยู่กับความสัมผัสของลมผ่านเข้าผ่านออกโดยไม่ต้องตามลมเข้าไปและตามลมออกมาในขั้นเริ่มแนีจะเป็นการปั้นเสือมากหรือเพิ่มภาระให้จิตมากจึงต้องให้กาหนดรู้อยู่เพียงลมเข้าลมออกเท่านั้นไม่ให้จิต ส่งไปสู่สถานที่อื่นใดอารมณ์ใดนอกจากลมเข้าลมออกที่ตนกำหนดอยู่นั้นเท่านั้นเราจะบริกรรมทำบทใดก็ตามให้พึงทำความรู้สึกอยู่กับทำบทนั้นๆเท่านั้นตระหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีอันใดในเวลานั้นมีเฉพาะคาบริกรรมกับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นี้เท่านั้น ท่านเรียกว่าภาวนาที่ถูกต้องเหมาะสมในายธรรมที่กล่าวมาเหล่าที่สี่สิบข้องนี้เป็นธรรมที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติจะยึดเอาบทใดก็ตาม <c oughs> เมื่อเห็นถูกกับจริตนิสัยจึงเรียกว่าเป็นธรรมกลางๆเป็นปฏิบัทาที่ราบดื่นดีงามบรรดาพระสาวกอรหรันทั้งหลายท่านผ่านไปด้วยธรรมเหล่านี้แหละ ในขั้นเริ่มแรกเป็นเช่นนั้นนี่เราหมายถึงการเริ่มแรกแห่งการภาวนาต้องมีทำบทใดบทหนึ่งเป็นเครื่องเกาะเครื่องยึดเครื่องกำกับของใจไม่เช่นนั้นใจจะหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ไหว้เผลอไปหมดและไม่ได้ผลอันใดท่านจึงสอนกรรมาฐานไว้ ในตัวของเรานี้ก็มีกรรมฐานห้าที่วชามอบให้ตั้งแต่วันอุปสมบทคือเกษาโรวมานะขาทันตาตะโจเราจะนำคำเหล่านี้คำใดคำหนึ่งบทใดบทหนึ่งบริกรรมเช่นเดียวกับธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาสักครู่นี้ก็ได้ไม่มีอะไรขัดข้องเพราะเป็นธรรม เป็นกรรมฐานด้วยกันมีเป็นธรรมฝึกหัดเบื้องต้นต้องมีบทธรรมเป็นเครื่องยึดไม่ใช่จะ ก, กําหนดรู้เฉยๆเฉยๆดังที่จิตท่านมีหลักมีเกณฑ์แล้วเช่นจิตท่านผู้มีสมาธิเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนั้นท่านจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมหากเป็นการเห็นควรของท่านเองสําหรับผู้มีหลักใจแล้ว ส่วนผู้ที่ยังไม่มีหลักใจต้องยึดหลักธรรมนี้ไว้กับใจเป็นเครื่องยึดเป็นคำบริกรรมจึงเหมาะสมไม่เช่นนั้นไม่ได้เรื่องผู้ปฏิบัติทั้งหลายพึงกำหนดทมเหล่านี้ให้เลือกเอาทมเหล่านี้ที่เห็นว่าเหมาะกับจดิตนิสัยของตนมาปฏิบัติต่อตอนเองในขั้นเริ่มแรกจนจิตเกิดเป็นสมาธิขึ้นมา คือความแน่นหนามั่นคงภายในใจหากรู้เองเมื่อจิตสงบลงไปสงบลงไปหลายครั้งหลายหนจิตจะสร้างฐานแห่งความมั่นคงขึ้นภายในตัวเองความสงบเป็นครั้งเป็นคราวและถอนขึ้นมานี้ท่านเรียกว่าจิตรวมหรือจิตสงบเมื่อจิตมีการถอน ม, มีการสงบเข้าไปและถอนออกมา สงบตัวเข้าไปแล้วขยายตัวออกมาหลายครั้งละดังนี้ท่านเรียกว่าจิตสงบเมื่อจิตสงบหลายครั้งหลายหนในแต่ละครั้งละหนของจิตที่สงบนั้นย่อมสร้างฐานแห่งความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในตัวเองโดยลำดับลำดาเมื่อน า, นานเข้าก็กลายเป็นสมาธิขึ้นมาคือเป็นจิตที่มั่นคง เป็นจิตที่แน่นหนากาหนดดูเมื่อไหร่ก็รู้ได้ชัดว่านี่คือจุดแห่งความรู้นี่คือจุดแห่งจิตอันเป็นความสงบประจำตัวนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิไม่ใช่รวมลงไปแล้วเป็นสมาธิเป็นสมาธิแล้วเราจะเรียกว่าสมาธิในขณะที่จิตรวมก็ได้ แต่ที่ให้แน่ที่สุดก็คือจิบรวมตัวเข้าไปหลายทางหลายหนจนถึงกับสร้างฐานของตนให้เกิดความมั่นคงขึ้นมาแม้จะคิดอ่านตราต้องอะไรได้อยู่ก็ตามแต่ฐานของจิตที่แน่หนา ม, มั่นคงนั้นไม่ละตัวเองนั่นจะเป็นความที่เหมาะสมอย่างยิ่งในคําว่าสจิตเป็นสมาธิเพราะเป็นอย่างนั้นจริงๆในวงปุบปฏิบัติจะทราบได้ชัดไม่ต้องไปถามใครเลย ขอแต่จิตได้สงบเข้าไปดังที่กล่าวนี้เถอะเมื่อสงบเข้าไปสงบเข้าไปถอนออกมาสงบเข้าไปหลายครั้งหลายผลหลายวันห ล, ลายคืนเข้าไปหากเป็นความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในจิตเองนั่นท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิแล้วจิตเป็นสมาธิย่อมมีความเย็นย่อมมีความสงบตัวไม่หิวโหวยในอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะอารมณ์ทางใด รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัดเฉพาะอย่างยิ่งกามารมเป็นสำคัญสำหรับนักบวชอันนี้เป็นค่าสุดมากภายในใจิตใจและชอบมากคิดมากชอบคิดมากคิดได้อย่างรวดเร็วแต่หักห้ามได้ยากเหล่านี้เมื่อจิตมีสมาธิเป็นความสงบแล้วสิ่งเหล่านี้ย่อมสงบตัวไปแต่ไม่ใช่ขาดมไม่ใช่ละขาดเป็นเพียงความสงบของจิต คือกิดอิ่มตัวในขั้นนี้ท่านจึงสอนส <c oughs> อนให้ใช้พ่การพิจารณาคือปัญญาปัญญานั้นหมายถึงการถอดการถอนการคลี่คลายดูสิ่งต่างๆให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วละแล้วถอนไปโดยลำดับํำดาตั้งแต่ยเิเลทขั้นห ย, ยาบๆจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดหลุดพ้นท่านเรียกว่าปัญญาทั้งนั้นแต่เป็นขั้นๆ ข, ของปัญญา สมาธิเป็นเพียงทาจิตให้สงบเพื่อจะได้พิจารณาง่ายลงไปผิดกับจิตผิดกับการพิจารณาทั้งที่จิตหาพื้นฐานแห่งความสงบไม่ได้อยู่เป็นอันมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้บำเพ็ญทางสมาธิท่านเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาดังที่กล่าวไว้ใน อนุสร์สมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพลาโหติมหานิสั่งซางสมาสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้พิจารณาสิ่งทั้งหลายรู้ได้แจ่มแจ้งชัดเจงโดยลำดับลำดาปัญญาปริภาวิตังจิตตังซัมมะเดวอาสวะหิมุจติ ปัญญาเมื่อสมาธิได้อบรมแล้วย่อมมีความคล่องตัวคือได้รับการอบรมได้รับความหนุนมาจากสมาธิแล้วย่อมมีความคล่งตัวในการพิจารณาแยกแยะอารมณ์ต่างๆจนถึงกับตัดขาดได้ในหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นแหละสมเด็จวะอนาสเวหิมุจติคือหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ นี่หลักทำที่ท่านแสดงเป็นพื้นเป็นฐานอันตายตัวไวเป็นจุดศูนย์กลางโดยแท้จริงท่านจึงสอนให้ อ, อุโมสมาธิเพื่อเป็นบาดเป็นฐานเพื่อจิตได้มีความสงบตัวมีความอิ่มตัวในอารมณ์ทั้งหลายอยู่ด้วยความสงบเปลี่ยนใจเมื่อจิตมีความสงบเปลี่ยนใจแล้วย่อม พาพิจารณาอะไรเป็นการเป็นงานได้ดีกว่าการใช้ให้จิตพิจารณาทั้งที่จิตหาความเป็นสมาธิไม่ได้และกําลังหิวหุนอารมณ์เป็นแน่ไหนการพิจารณาจิตในตามที่การพิจารณาจิตที่หาความที่ไม่เคยมีความสงบเลยให้เป็นปัญญา มักจะเป็นสัญญาทะเลทะลายออกนอกรูกนอกทานอยู่เสมอเสมอไม่ค่อยจะได้เรื่องได้ราวอะไรจนถึงกับว่าไม่ได้เรื่องท่านจึงเอาให้สอนสมาธิเป็นบาดเป็นฐานเป็นเครื่องยืนยันว่าจะได้ผลในการพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อสมาธิมีอยู่ภายในจิตใจแล้วใจไม่หิวโหวยใจไม่รวนเร่ใจไม่กระวนกระวาย ย่อมทำหน้าที่การงานของตนไปโดยลําดับลําดาตามสติที่บังคับให้ให้ทาจนถึงกับได้ปรากฏผลขึ้นมาเป็นปัญญาโดยลําดับลําดาจนถึงขั้นปัญญาที่เห็นเหตุเห็นผลแล้วและหมุนตัวไปเองโดยไม่ต้องถูกบังคับเหมือนตั้งแต่ก่อนที่เคยบังคับกันนั่นเลยนี่เป็นอย่างนี้ ในเบื้องตน้นจึงต้องอาศัยคําบริกรรมเป็นพื้นฐานก่อนนี่เป็นหลักตายตัวเป็นหลักศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติของผู้บําเพ็ญทั้งหลายไม่ควรจะละไม่ควรจะปล่อยวางคําบริกรรมซึ่งเป็นเครื่องยึดของจิตในขั้นเริ่มแรกเพื่อหาหลักฐานใส่ตัวเองจึงต้องจำต้องใช้บทบริกรรมนี้เป็นฐานสําคัญมากดูเสมอจนกว่าว่าจิต นี้ได้เริ่มเป็นสมาธิขึ้นมาถึงกับเป็นสมาธิแล้วคำบริกรรมเหล่านั้นซึ่งเคยนามาบริกรรมเป็นประจานั้นก็ย่อมจะปล่อยวางกันได้ด้วยความเข้าใจตัวเองว่าสมควรจะปล่อยวางหรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่จะทราบด้วยสมาธิของตัวเองด้วยหลักของความรู้คือความเด่นชัดแห่งจุดของผู้รู้ของตัวเองแล้วจะไม่บริกรรมก็ได้ โดยกําหนดเอาความรู้นั้นเป็นฐานที่เดียวอยู่กับความรู้นั้นเมื่อจะกําหนดให้ความรู้นั้นมีความสมบูลงไปก็กําหนดลงได้อย่างง่ายดายทีนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆที่คําว่าคําบริกรรมในกรรมฐานสี่สิบห้องนี้หลักใหญ่ก็เป็นการบาเพ็ญในเบื้องต้น ภูบำเพ็ญในขั้นเริ่มแรกจำต้องได้ยึดทำเหล่านี้ไว้เป็นหลักเกณฑ์ของใจจนกว่าใจจะได้หลักได้เกณฑ์แล้วค่อยแผ่กระจายออกไปในงานทั้งหลายทีนี้หาความเป็นประมาณไม่ได้เมื่อจิตได้เป็นสมาธิแล้วฝึกหัดทางด้านปัญญาปัญญาจะตีแผ่ไปโดยลำดับกำนา คำบริกรรมนั้นจะหายไปโดยหลักธรรมชาติของผู้บําเพ็ญนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้บําเพ็ญถึงขั้นสมาธิอย่างแน่วแน่และขั้นปัญญาแล้วในคำบริกรรมทั้งหลายจึงหายไปโดยหลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติของตัวเองคือหายค่อยหายไปเอง คือเช่นเดียวกับเราขึ้นบันไดขึ้นก้าวขึ้นไปขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งก็หมดความจำเป็นไปก้าวผ่านไปผ่านไปผ่านไปจนถึงวาระสุสดท้ายก้าวขึ้นถึงบนบ้างนั่นนี่คำาบรกรรมก็ค่อยเปลี่ยนตัวเองไปเช่นนั้นจนถึงขั้นปัญญาแล้วไม่ต้องบอกทิ่นหากรู้ในตัวเองวิธีทำการทำงาน เหมือนโลกเขาทำงานผู้ใหญ่ทำงานเข้าใจในงานทำไปได้กว้างขวางมากมายผิดกับเด็กเป็นไหนไหนหมีการทำงานของสมาธิที่มีหลักมีเกณฑ์แล้วกับการทำงานทางด้านปัญญาก็เป็นเช่นเดียวกันมีความขยายตัวออกไปโดยลำดับลานาจนหาประมาณไม่ได้แต่ผู้ปฏิบัติหรือผู้ดำเนินสมาธิดาเนินปัญญานั้นจะรู้ตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใครว่าควรจะปล่อยคาบริกรรม มากน้อยเพียงไรหรือไม่ปล่อยเป็นยังไงในเวลาใดขณะใดหากทราบเองในผู้ปฏิบัตินั้น <c oughs> ขอให้ทุกทุกท่านยึดไม้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติภาวนาหลักใหญ่ให้จิตสงบได้นั่นแหละเป็นของดีเพียงจิตสงบเท่านั้นก็ตัดความกังวลวุ่นวายซึ่งเคยประจําจิตเสียดแทงจิตออกได้โดยลําดับลาําดาจนถึงกับ เป็นขั้นสบายเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาจิตที่เป็นด้วยจิตที่เป็นสมาธิแล้วจึงมักขี้เกียจในการพิจารณาธรรมทั้งหลายด้วยปัญญานอนจมอยู่กับสมาธินั่นสียไม่ออกวินิจพิจารณาสุดท้ายก็เข้าใจว่าความรู้ที่แน่วแน่แห่งความเป็นสมาธิของตนนั้นจะเป็นนักผนนิพานไปเลยในข้อนี้ผมเคยเป็นแล้วจึงได้นามาสอนท่านทั้งอธิบายให้ ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าสมาธิต้องเป็นสมาธิปัญญาต้องเป็นปัญญาเป็นคนละสัตว์เป็นคนละส่วนเป็นคนละอันจริงๆไม่ใช่อันเดียวกันหากเป็นอยู่ในจิตอันเดียวกันนั่นแหละเป็นแต่เพียงไม่เหมือนกันจิต ท, ที่เป็นสมาธิก็เต็มภูมิได้เหมือนกันเมื่อถึงขั้นเต็มภูมิแล้วจะทำอย่างไรก็ไม่เกินนั้นไม่เลยนั่นไปอีกถึงขั้นสมาธิ นิที่เต็มภูมิแล้วก็มีแต่ความแน่วแน่ของกิจความละเอียดของกิตที่รู้อยู่อย่างแน่วแน่เท่านั้นจะให้มีความละเอียดแล้มผมหรือแยบคายต่างๆก็จัดแผ่กระจายไปค่ากิเลสตัณหาสภาพเพื่อต่าง ๆ, ๆที่มันมีอยู่ภายในใจนั้นไม่ได้ไม่เพราะไม่เห็นเพราะไม่รู้ด้วยเหตุ น, นี้ท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาซึ่งเป็นเรื่องแยบคายยิ่งกว่าสมาธิอยู่มากมายจนหาประมาณไม่ได้เนี่ย นี่แหละปัญญาจึงเป็นปัญญาผู้ที่เป็นสมาธิถ้าไม่ออกพิจารณาทางด้านปัญญาจะเป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นตลอดไปจนกระทั่งวันตายก็หาเป็นนิพพานไหมได้ไหมหาเป็นปัญญาได้ไหมต้องเป็นสมาธิอยู่ตลอดไปเนี่ยท่านจึงสอนให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญามีความจำเป็นอย่างนี้ให้ให้ทุกทุกท่านจไมาให้แม่นยานี่สอนด้วยความแม่นยาด้วยเป็น สอนด้วยความแน่ใจทั้งของเพราะให้ผ่านมาแล้วอย่างนี้ติดสมาธิก็เคยติดแล้วผมเคยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังมานานแสนนานหลายครั้งหลายหนจนพรันน า, นานไม่จบเพรจนจนจ น, จนนับไม่ได้ทั้งแหละว่าได้ติดสมาธินี่มาจะอย่างจําอย่างจำเจหรือติดสมาธิมาเสียจนจมพูดย่างไง่ายจนเป็นความขี้เหกียดจนเกิดเกิดความสําคัญว่าสมาธินี่แหละจะเป็นนิพพาน สมาธินี่แหละจะเป็นธรรมชาติที่สิ้นกิเลสจะสิ้นอยู่ตรงนี้ตรงที่รู้ๆเนี่ยไม่มีที่อื่นใดเป็นที่สิ้นกิเลสนะเหมาเอาซะทั้งหมดความจริงความรู้อันนั้นมันกลมกลืนกับอะไรอยู่เพียงขั้นของสมาธิความรู้ในขั้นสมาธิจะไปสามารถรู้กิเลสที่เหนือสมาธิไปได้อย่างไรเพราะกิเลสที่ละเอียดเหนือสมาธิมีอีกมากมายเป็นยิ่งกว่า ที่ความรู้ในสมาธิจะรู้ได้เป็นไหนๆเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้แยกทางด้านปัญญาเมื่อจิตมีความสงบจะขนบขโนบสงบขั้นใดก็ตามปัญญาย่อมเป็นบาทเป็นฐานเป็นเครื่องหนุนปัญญาตามขั้นของตนได้ใพิจรารณาแต่ไม่ใช่พิจารณาในขณะที่จิตสงบต่างวาระกันเมื่อจิจถอยออกจากความสงบแล้วให้ใช้ปัญญาพิจรารณา การใช้ปัญญาพิจารณาก็หมายถึงขันห้านี่แหละเป็นสถานที่ที่คลี่คลายพิิจพิจารณาเพราะนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราติดก่อนสิ่งใดภายนอกติดอันนี้ก่อนติดขันห้าคืออะไรรูปเป็นสําคัญรูปกายกายของเรามีอะไรบ้างนี่เรียกว่าคลี่คลายแล้วพินินยผมขนเล็บฟันหนังนี่อันใดที่เหมาะกับการ พิจนาของเราแล้วจับจุดนั้นก่อนธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ให้ดูทั้งที่เกิดทั้งที่อยู่ของมันทั้งความแปรสภาพของมันเป็นอย่างไรบ้างแต่ละชิ้นละอันนี้มันเดินทางสายเดียวกันด้วยอนิจจังทุกขมาตาไม่ปลีกไม่แวะไปทางสายเดียวกันและมีส่วนที่เป็นอสุภะอสุผังอีกมากมาย ในบางส่วนของร่างกายเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้างพิจารณานี่ท่านเรียวกว่าปัญญาแยกแยกดูจะดูภายนอกก็ได้ภายในก็ได้เป็นมากได้ทั้งสองคือทั้งภายนอกทั้งภายในเมื่อพิจารณาให้เป็นมากคือพิจารณาโดยทางปัญญาเพื่อการถอดการถอนเป็นมากได้ทั้งภายนอกภายในถ้าเรา รู้เราเห็นเราสำคัญมั่นหมายเพื่อความปลูกมัดตัวเองนั้นก็เป็นสมุดทายได้ทั้งภายนอกภายในนี่จะอธิบายให้ฟังเพียงลางๆก่อนไม่ได้พูดให้เต็มเม็ดเต็ ม, ตมหน่วยเพราะยังมีแง่ที่จะพูดอีกมากมายในวงแห่งปัญญาในขันห้าเหล่านี้ เราดูไปตั้งแต่หนังแต่เนื้อเอ็นกระดูก้ดูเข้าไปภายในมันมีอะไรบ้างนี่คือปัญญาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเสินแต่เวลาพิจารณานั้นเราอย่าเอาความที่ว่าอยากรู้อยากเห็นอยากให้เป็นอย่างใจโดยถ่ายเดียวเข้าไปทําลายความจริงความจริงมันเป็นความจริงอยู่แล้วให้พิจารณานสอดส่องดูตามความจริงนั้น แล้วจะเห็นความจริงขึ้นมาเมื่อพิจารณาซ้ํำๆซากๆดูหลายครั้งหลายหนเราจะเห็นความจริงขึ้นมาเช่นอนิจจังข้อจริงอันหนึ่งทุกขังจริงอันหนึ่งอนัตตาจริงอันหนึ่งอรุยภะอรุยัพแต่และอย่างแต่ละอย่างจริงไปตามหลักธรรมชาติของตัวเองนี่จริงอย่างนี้เมื่อจริงเข้าถึงใจแล้วใจย่อมมีความคลายออกตัวเองออกไปเดิมำดับจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นี่ท่านเรียกว่าพิจารณาทางด้านปัญญา พิจารณาภายนอกก็ให้ให้เป็นอย่างนั้นได้ยินสิ่งใดให้เมื่อจิตที่ควรจะเป็นปัญญาได้แล้วพอได้ยินก็จะแปลสภาพเป็นปัญญาขึ้นมาได้เห็นก็จะแปลสภาพเป็นปัญญาขึ้นมาในขณะที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆจะเป็นเรื่องปัญญาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเช่นเดียวกับมันเคยสร้างเรื่องกิเลสขึ้นมาในขณะที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังแต่ก่อนนั่นแหละไม่ผิดกันอะไรเลยเมื่อถึงขั้นปัญญาจะทราบจะรู้เป็นอย่างนั้น <c oughs> นี่แหละวิธีการดำเนินให้ยึดหลักที่กล่าวมานี้เป็นทางดำเนินอย่าหาเรื่องหาราวใส่ตัวแฝงแฝงเรื่องนั้นแฝงแฝงเรื่องนี้ไปมันไม่ถูกหลักใหญ่อยู่ตรงนี้แหละให้ยึดเอาครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ดีหรือนับตั้งแต่พระสาวกทั้งหลายลงมาก็ดีท่านหลุดพ้นด้วย อำนาจแห่งกรรมฐานสี่สิบนี้ทั้งนั้นแหละกรรมฐานสี่สิบนี่แหลเป็นฐานเป็นธรรมที่สร้างจิตท่านให้มีความสงบร่มเย็นต่อจากนั้นไปก็สร้างทางด้านปัญญาให้รู้แจ้งแทงทะลุไปไม่พ้นจากที่กรรมฐานที่กล่าวมาเหล่านี้เลยเพราะกรรมฐานสี่สิบนี้ไม่ใช่จะเป็นอารมณ์แห่งสมถะอย่างเดียว ยังเป็นอารมณ์ของนิปัสินาได้ด้วยเมื่อจิตควรจะนิปัสินาแล้วจะเป็นนิปัสินาไปได้โดยไม่ต้องสงสัยในขณะที่จิตยังไม่เป็นปัญญาจิตยังไม่เป็นนิปัสินาก็เอาทำเหล่านี้แลมาอบรมจิตใจด้วยความเป็นสมถะคือเพื่อความเป็นสมถะได้แก่ความสงบผ่องใจพอจิตก้าวเข้าสู่ปัญญาแล้วทำที่เคยเป็นสงบเป็นอารมณ์แห่งสมถะนี่และ จะแปลสะภาพเป็นอารมณ์แ <sweating> ห่ง <classrooms> นิพพานาไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเนี่ยหลักใหญ่อยู่ตรงนี้เมื่อการพิจารณาทางด้านปัญญาเกี่ยวกับขันนอกขันไหนพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอดังที่กล่าวนี้ความรู้แจ้งภายในจิตใจจะปรากฏขึ้นโดยลำดับลำดา ไม่มีโดยไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนสิ่งไม่เคยรู้จะรู้ขึ้นมาสิ่งที่ไม่เคยละก็จะละสิ่งที่เคยติดแนบพายนจิตใจของเราจนไม่คาดไม่ฝันว่าจะแก้จะแยกจะแย ก, จ ะ, แยกจะตัดกันออกได้ให้ขาดก็เป็นขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนภาในใจด้วยอำนาจของปัญญานั่นแหละเพราะฉะนั้นปัญญาจริงเป็นธรรมชาติที่แหลมคมมากกว่าสมาธิเป็นไหนไหน ถ้าเรายังไม่เคยกล้าทางด้านปัญญามีแต่เพียงสมาธิก็จะเห็นว่าสมาธินี่เป็นความละเอียดมากเพราะจิตที่เป็นสมาธิเต็มภูมิต้องสร้างความละเอียดให้ผู้ยังไม่เคยรู้ก็เห็นทางด้านปัญญาว่าตัวนี้เป็นผู้ละเอียดแล้มคมมากละเอียดมากได้จริงๆโดยไม่ต้องสงสัยแต่พอกล้าวออกทางด้านปัญญาแล้วจะเห็นสมาธินี่มันเหมือนกับเราไปเจอที่เดินทางไปเจอตะกัวที่แรกก็ ว่าเป็นของดีพอไปเจอเงินเขาก็ทิ้งตะกัวพอไปเจอทองเขา้าทิ้งเงินแบบนั้นแหละเรื่องเราผ่านสมาธิเป็นขั้นๆ ข, ขึ้นไปหาปัญญาเป็นขั้นขั้นจนกระทั่งถึงวิมุตต์หลุดพ้นเป็นเช่นเดียวกันกับเราปล่อยวางสิ่งนั้นสิ่งนั้นก้าวไปผ่านไปโดยลําดับลําดานั่นเองดังที่กล่าวมานี้ไม่ผิดหากเป็นในระดับธรรมชาติของจิตในระลับความละเอียดของปัญญาเป็นเช่นนั้นธรรมชาติอันหนึ่งที่มันแทรกที่มัน เหมือนกับว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตนั้นมันอยู่ที่จิตเพียงสมาธิจะไม่มีโอกาสไม่มีทางทราบได้เลยจะกลืนกันทั้งเนื้อทั้งกระดูทั้งก้างนั่นแหละถ้าเป็นอาหารก็ดีแล้วไปจะติดคอตายอยู่นั้นไม่ไปถึงไหนถ้าไม่ใชถ่ถ้าไม่ใช้ความพิณิพิจน า, าคลี่คลายออกโดยทางปัญญาแล้วเราจะไม่ทราบความ ละเอียดของกิเลสประเภทที่ฝัง t มอยู่ภายใน จ, ใจิตใจแล้วก็แผ่พังพานออกไปทางเวทนาทางรูปทางเวทนาสัญญาสังขารน่นตั้งสิวิญญาณแผ่พังพานออกไปนูน้นรูปเฉียงจิตนสดเครื่องสัมผัสทั่วแดนโลกธาตุไปเที่ยวยึดได้หมดออกจากธรรมชาติที่ละเอียดที่สุดของกิเลสประเภทหนึ่งภายใน จ, ใจิตใจนั่นแหละนี่แหละ มันสร้างเรื่องราวขึ้นมาภายในตัวและแผ่อํานาจศาสตร์กระจายไปทั่วโลกธาตุทั้งสามกามโลกรูปวโลกอรูปวโลกถ้าไม่ใช่จิตตรงนี้ไปเกิดดวงไหนจะไปเกิดอะไรจะไปเกิดอืสิ่งที่ละเอียดที่สุดพวกฟุ่มมาโลกตรงนี้เหมือนกันอะไรจะไปเกิดมีแต่จิตทั้งนั้นไปเกิดเพราะธรรมชาติที่แฝงอยู่ภายในจิตนั้นผลักดันให้เป็นไปเองให้ไปเกิดนี่ นี่แหะปัญญาเมื่อสร้างเข้าไปมันเห็นเข้าไปอย่างนี้เองเห็นเข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปไม่ต้องไปถามใครนั่นละผู้ปฏิบัติไม่อัศจรรย์พระเจ้าจะอัศจรรย์ใครทิ้งเหล่านี้พระเจ้าสอนแล้วทั้ง น, นั้นเมื่อปัญญาอย่างเข้าไปอย่างเข้าไปแล้วจะเห็นความละเอียดของทั้งกิเลสของทั้งปัญญาไปพร้อมๆกันแล้วเมื่อได้เห็นชัดทั้งสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นทั้งตัวผู้ยึดมั่นถือมั่นแล้ว ว่าเป็นภัยด้วยกันทําไมจะไม่ถอดไม่ถอนทําไมจะไม่สลัดปัดทิ้งลงได้เ่าต้องตัดทิ้งได้โดยไม่ต้องสงสัยปัญญานี่แหละพาให้สลัดได้ปัดทิ้งได้เพราะเห็นด้วยปัญญาท่านกล่าวไว้เป็นบทบาลีว่านติปัญญาสมาอาภาความสว่างกระจ่างแจ้งเสมอด้วยปัญญาไม่มีนั่นะจะสะว่างกระจ่างแจ้งที่ไหนเล่าปัญญาต้องสว่างกระจ่างแจ้งลงในจุดที่มืดที่ดําที่เคยเกิดเคยตายนั่นแหละ ได้จะดวงใจของตัวเองนี่มันมืดที่ตรงนี้ไม่ใช่มืดที่ไหนมันหลงที่ตรงนี้ไม่หลงที่ไหนตัวนี้พาให้เกิดตัวนี้พาให้ตายพบใดแดนใดก็ตามไม่พ้นจากยิต ด, ดวงนี้แห ล, ละเป็นผู้พาให้ไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในทุกแห่งทุกหนในพบน้อยพบใหญ่พบนั้นพบ น, น, พบนี้ไม่มีสิ้นสุดก็เพราะธรรมชาติที่ละเอียดแหลมคมมากหยู่คืนกันอยู่กลมคืนกันอยู่กับจิตนั้นดวงนั้นนั่น ทีนี้เมื่อปัญญาได้อย่างทราบลงไปโดยลําดับลําดาตั้งแต่เป็นจักขันนี้เป็นของสําคัญเอาส่วนหยาบนี้ก่อนมันเป็นของมันเองไม่ได้บอกว่าเอาส่วนหยาก็าตามมันนักเป็นเพราะมันกระเพือนจิตตลอดเวลารูปอันนี้ไม่ว่ารูปนอกไม่ว่ารูปไหนมันกระเทื่อนกันอยู่ตลอดเวลาให้เป็นอารมณ์ยุ่งอยู่เสมอก็เพราะรูปนอกกับรูปไหนรูปเขากับรูปเรารูปหญิงกระพูดชาย เสียงหญิ ง, ญงเสียงชายเสียงเขาเสียงเราสัมผัสเขาสัมผัสเหล่านี่แหละเป็นสิ่งที่มันกระทบกระเทือนจิตใจอยู่ตลอดเวลานี่เมื่อพิจารณาลงไปมันจะทราบสิ่งเหล่านี้ก่อนเมื่อทราบสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะสลัดเข้ามาปล่อยเข้ามาจนกระทั่งถึงร่างกายของตัวเองก็สลัดเข้าไปเรื่อยๆนี่ปัญญาเหมือนกับไฟได้เชือ้อมันเผาเข้าไปเผาเข้าไปตรงใดจุดใดที่มีที่ที่มีเชื้อไฟอยู่ไฟจะลุกลามเข้าไปตรงนั้นอ้าว จนกระทั่งถึงเวทนาเป็นส่วนละเอียดนี่เมื่อออกจากรูปไปแล้วจะเข้าถึงเวทนาเวทนาอะไรกายเวทนาสัญญาชั้นขานวิญญาณเหล่านี้จะเห็นว่าเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งที่ออกมาจากใจทางนั้นเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนีเวทนาก็คือความทุกข์ความทุกข์ไม่ทราบตัวเองแต่เป็นจิตเป็นผู้ทราบ แล้วความสําคัญมั่นหมายที่ออกมาจากวิชาปฏิญานั้นทําให้ยึดมั่นถือมั่นนะี่ทั้งเวทนาทั้งสุขเวทนาทั้งทุกขเวทนาทั้งอุเบกขาเวทนายึดได้ทั้งนั้นถ้าลงได้หลงตัวจิตแล้วจิตจะพาให้หลงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแต่เมื่อได้รู้แล้วจะรู้เข้าไปโดยลําดับลำดาบจกนกระทั่งถึงตัวจิตเนะเวทนาก็รู้รู้ก็ปล่อยชัญญาตังขานวิญญาณรู้ปล่อยนั่นไม่มีใครบอกหากรู้เองนี่แหละเรียกว่าปัญญา ปัญญาฉลาดอย่างนั้นเองแหลมคมอย่างนั้นเองรู้ชัดรู้ชัดรู้ชัดไม่มีใครมาบอกก็รู้เองรู้เองแล้วปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปสุดท้ายก็ขาดสะบัน้นแ ต, ต่ทั้งทั้งที่ขันกับหิดเนี่ยอยู่ด้วยกันครองกันอยู่นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเคยเป็นหนึ่งอันเดียวกันกับหิดได้กลายเป็นคนณะชิ้นละอันแล้วหิด ต, ตรงนั้นเป็นเหมือนกับเกาะห น, นึ่งที่อยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นน้ำํำ เวลาพิจารณาเข้าไปอีกพิจารณาเข้าไปจกนกระทั่งถึงตัวจิตเป็นซึ่งเป็นเกาะ น, นั้นแยกพิจารณาอย่างนั้นเช่นเดียวกับเราพิจารณาภายนอกมีผ mm. ู้ประหารเป็นต้นโดยทางอณิจังทุกขังหน้าตา่างแยกเข้าไปแยกเข้าไปพิจารณาเข้าไปสุดท้ายเกาะนั้นก็พังทลายความจริงนั้นเกาะคืออะไรนั่นแหละตัวกิเลสตัวอวิชชาตัวที่ ที่ละเอียดแหลมขมที่สุดสมาธิเข้าถึงได้ยังไงธรรมชาตินั้นเข้าไม่ถึงแต่ปัญญาพังได้ฟังสิไม่เจอไม่เห็นพังได้ยังไงนี่แหละปัญญาพังหน้าเกาะนั้นจะไม่มีไม่มีเหลืออ๋อเกาะนั่นมันเป็นเกาะอะไรก็เกาะอวิชชาปัญญาสังขารเกาะแห่งภพเกาะแห่งชาติเกาะแห่งความเกิดเจ็บตายเกาะแห่งมหันตทุกข์ของสัตว์โลกนั่นเองจะเป็นอะไรไปนี่รู้ชัดเจนเมื่อธรรมชาตินั้นได้พังไปแล้วไม่มีเกาะไม่มีดอนจิตที่ บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีสีไม่มีแสงไม่มีคําว่าความสว่างกระจ่างแจ้งไม่มีความว่าอับเฉาเอามาพูดไม่ได้ซึ่งเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องของสมุติทั้งมวลเมื่อจิตได้ผ่านนั้นนี้ไปแล้วไม่มีใครบอกก็รู้แต่ไม่มีคําว่าสว่างกระจ่างแจ้งดังที่โลกโลกทั้งหลายคาดกันอืหรือเราเองก็เคยคาดจะว่ า, างไงเราเคยคาดเป็นยังไงคาดมันเป็นยังไงทีนี้ความจริงกับความคาดผิดกันอย่างไรบ้างเมื่อ ได้เข้าถึงความจริงแล้วไอ้ความคาดความหมายมันก็ล้มละลายมันไปเองล้มละลายไปเองโดยหาที่โดยเข้ามาคาดัคาดค้านความจริงนี้ไม่ได้เลยนี่ละ่ะการตัดภพตัดชาติการสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อรู้ในสิ่งที่ควรรู้ในสิ่งที่ควรเห็นคำว่านติปัญญาสมาอาภาสว่างลงที่ตรงนี้แหละตรงที่มันมืดเกาะ น, นั่นแหละเป็นธรรมชาติอันหนึ่งให้ติดให้มองไม่ทั่วถึงก็คือเกาะนี้ เกาะแห่งอวิชชามันเกาะอยู่ในที่จิตนั่นจิตอยู่เป็นอยู่กับจุดเมื่อถูกพังทลายลงไปไม่มีเหลือแล้วล้ำพังโดยจิตโดยธรรมชาติของจิตแท้ๆแล้วจะไม่เป็นเกาะจะไม่เป็นจุดสจ้าวางจะจับให้ได้ว่าเป็นจุดแห่งความสว่างก็ไม่ได้แต่ว่าผ่องใสก็ไม่ได้แต่ว่าเ้ามองก็ไม่ถูกไม่ถูกโดยประการทั้งปวงถ้าเป็นน้ําก็ไม่ไม่ไม่มีสี คือน้ําที่สะอาดเต็มที่ย่อมไม่มีสีถ้าต้องการให้เป็นสีก็เอาอะไรลงไปคลุกคล้ากับน้นําน้ําก็ปรากฏเป็นสีนั้ น, น, นขึ้นมาในจิตก็เหมือนการจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วย่ำปราศจากสีสันวันละโดยประการทั้งปวงไม่มีในจิตตรงนั้นนะทั้งทั้งที่รู้อยู่งั้นหากไม่ใช่อะไรทั้งนั้นท่านเนี่ยโลกุตระทำเต็มภูมิทำเหนือโลกเหนืออะไร ก็เนื้อธาตุเหนือขันเนืเน้อติ่งทั้งปวงที่เราเคยคาดเคยคิดเคยติดเคยพันมันแต่ก่อนนั่นแหละมันไม่ติดไม่พันไม่ยึดไม่ถือปล่อยไปหมดโดยประการทั้งปวงนี่แหละการพิจารณาการพอนาตั้งแต่เริ่มต้นบริกรรมพอนามาโดยระดับลาดาข้าไปอย่างนี้อย่างนี้อยากให้ออกนอกลู่นอกทางให้ดําเนินตามครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างไรเหมือนพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรพระสาวกยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่เคลื่อนคาด แล้วจกนกระทั่งถึงความบุดพ้นด้วยการยึดหลักสวดคารธรรมของพระเจ้าให้แนบสนิทกับใจกลายเป็นสาวกอรหันขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเห็นไหมพวกเราได้กราบไหว้บูชายุกวันนี้เป็นโมฆะเมื่อไหร่เป็นของพูดเล่นเมื่อไหร่พุทธทงฉนั ง, นงระฉามเป็นของเล่นเมื่อไหร่เป็นของจริงแท้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้สร้างขึ้นมาเป็นความสว่างกระจ่างแจา้งแกโลกแก่สงสาร เป็นของเล่นเมื่อไหร่เป็นของจริงโดยแท้สังฆั้งสนังกระามิเป็นผู้หลุดพ้นตามประเสด็จพระพุทธเจ้าทันโดยแท้ไม่มีทางสงสัยขอให้สร้างใจของเราให้มันเป็นอย่างนั้นเถิดเราจะยอมรับหมดพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์กี่ล้านกี่อะไไม่สงสัยทำเป็นยังไงไม่สงสัยเพราะเป็นอยู่ที่ใจนี่แล้วใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้เห็นใจเป็นพุทธใจเป็นธรรมะใจเป็นสังฆะผู้ทรงความบริสุทธิ์ทั้งตนไม่เต็มสัดเต็มส่วนเล้วจะสงสัย พะพุทธเจ้าพระธมพระสงฆ์ที่ไหนยืนยันกันที่ใจดวงนี้เองนี่นี่แหละปัจจุบันน่จิตปัจจุบันนธรรมท่านเรียกว่าอาการดีกโกอาการดีกจิตอาการด ก, าการับธรรมเป็นอันเดียวกันอยู่ภายในจิตของผู้ปฏิบัติของผู้หลุดพ้นนั่นแหละจะเป็นที่ไหนต่าท่านขอให้ทุกๆ ท, ท่านนําไปเพื่อปฏิบัติอยาทอดแท้อ่อนแ อ, อยาโลเลโลกเล่ย่าเห็นว่าอันนั้นดีอันนี้ดีไม่มีอะไรแหละในโลกนี้เต็มไปด้วยกองหจังทุกขังตาทั้งเขาทั้งเหล่า เห็นกันแล้วเจอกันแล้วไม่ได้บ่นให้กันอยู่ไม่ได้ต้องบ่นชูกันฟังเพื่อเป็นทางระบายความทุกข์ทั้งหลายซึ่งมันอัดอั้นตันใจจะตายอยู่นั้นออกมาเขาก็ระบายเราก็ระบายสุดท้ายก็มีแต่ลมเท่านั้นทุกข์มันไม่ได้ออกมาจากหัวใจเพราะอะไรก็เพราะมันไม่มีอะไรเป็นของอัศจรรย์อย่างในโลกนี่แม้แต่จิตของเราแทนที่จะเป็นของอัศจรรย์ก็บรรจุความทุกข์ความทรมานไว้เสอย่างเต็มเอียดแล้วมาระบายกันเท่านั้นมันเป็นประโยชน์อะไรในพิจนา นักปฏิบัติเป็นนักใขขลุ่นพระไม่ใขขลุ่นไทยไหมไม่มีใครใขขลุ่นในโลกเพศของพระเป็นเพศที่ละเอียดเป็นเพศที่สุขุมเป็นเพศที่พิิจารณาเป็นเพศที่อดที่ทนเป็นเพศที่ใขขลุ่นมากเป็นเพศที่มีความเพียรไม่ใช่เป็นเพศที่กินแล้วนอนก่อนแล้วนินที่เกลียดที่ค้านท้อแท้อ่อนแอทําอะไรไม่คิดไม่อ่านดังที่เห็นเห็นอยู่นี่วันหนึ่งวันหนึ่งอกจะแตกการแนะนําส่องสอนหมูเพื่อนแล้วมองดูกิริยาอาการ มองดูอะไรมันหากโดนหูโดนตาแล้วเข้าไปโดนหัวใจอยู่จนได้สอนเท่าไรมันก็ไม่พ้นให้นําไปพิจารณาสิคนที่เราเราที่โง่โ ง, ง, งอยู่นี่แหละเมื่อได้ฝึกตวงตัวให้เป็นไปตามหลักธรรมพุทธเจ้าลแล้วจะเป็นผู้ฉลาดขึ้นมาโดยไม่ต้องถามใครล้วเอาทำมากพุทธเจ้าเราเป็นเครื่องสองทางดําเนินลงไปดําเนินลงไปหากจะมีวันจะฉลาดจนได้แหละถ้าฉลาดไม่ได้พระพุธทธเจ้าท่านจะสอนไว้ทําไม พระพุทธพระองค์ทรงเคยฉลาดจากการปึกการทรามานมาแล้วเนี่ยพระสงฆ์สาวกก็เหมือนกันด้วยธรรมทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็วิเศษด้วยธรรมพระสาวกก็วิเศษด้วยธรรมเราก็พยายามฝึกจนเราให้มันฉลาดด้วยธรรมไปเลยาย ใ, ใจครูบาอาจารย์ก็หมดไปหมดไปหาที่เกาะทิฏไม่ได้นะ หมดไปหมดไปแทบจะว่าจริงๆลแล้วเดี๋ยวนี้นะ <_ H> การสอนจิตตะภาวนาเป็นของสำคัญมาก <_ H> พูดแล้วสาทุเราไม่ได้ประมาท <_ H> คำพีบลานตาหลับตาลาอันนั้นมันเป็นตู้เป็นหีบยา <_ H> มีอยู่มากเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นแหละยาในตู้นั้นแ่ะแต่ละขวดแต่ละขวดละขวดแต่ละชิ้นละอัน <_ H> เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแต่ผู้ที่จะนำมาใช้นั้น มันฉลาดไหม <Hey. S 1> ถ้านํามาจะมาใช้ไม่ฉลาดผู้นํามาใช้ไม่ฉลาดก็ไม่เกิดผลประโยชน์เลยนอกจากจะเกิดโทษ ด, ด้วยซ้ำํำ hmm. นี่แหละเป็นข้อเทียบเคียงต้องเป็นหมอเท่านั้นเป็นผู้จะนํายานเหล่านั้นมาใช้ได้เป็นผลประโยชน์แก่คนไข้ผู้ไม่ใช่หมอเป็นไปไม่ได้นอกจากจะทำให้คนไข้าตาย hmm. นี่แหละพระพุทธเจ้าพระสาวก เป็นหมอชั้นเอกนำธรรมมโอสถนี่แหละคื อ, อยามาสอนสัจโลกจึงสอนด้วยความแม่นยําถูกต้องทุกสิ่งทุกอยาก่างตั้งแต่พื้นพื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมไม่มีผิดไม่มีคาดเคลื่อนที่เรียกว่าสวดคาถะธรรมตราดว้ชอบแล้วชอบแล้วและดําเนินมาชอบแล้วทั้งรู้ชอบแล้วทั้งปพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายรู้ชอบแล้วสอนลูกศิษย์ลูกหาท่านจึงสอนเนือ้อความถูกต้องแม่นยํา บรรดาจิตทั้งหลายที่เข้าไปอาศัยครูบาอาจารย์แต่ละองค์ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระรหลานพระรหลานทำไมท่านจะสอนเคลื่อนผาดล่ะท่านจะสอนผิดพลาดไปล่ะก็เมื่อท่านรู้อยู่อย่างเต็มใจเห็นอยู่อย่างเต็มใจเนี่ยททั้งหลายบริสุทธิพุทโธเต็มที่แล้วท่านจะสอนผิดที่ตรงไหนต้องสอนถูกต้องแม่นยำผู้เข้าไปเกี่ยวข้องต้องเป็นตายใจได้เลยฝากเป็นฝากตายได้เลยรับตาได้ให้ท่านจูงไม่สงสัยเนี่ยว่าจะจูงลงนรกอะไรกี่ที่ไหนจะจูง เพื่อมรักผลนิพพานทั้งนั้นเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวท่านผู้รู้จริงถึงนจริงท่านสอนอย่างนั้นท่านจูงอย่างนั้นท่านอบรมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาท่านแสดงธรรมแต่ครั้งละครนี้ผู้บรรลุมรักผลนิพพานจึงมีมากแต่ไม่มีมากยังไงก็มีแต่ธรรมของจริงด้นล้ว น, วนออกมาจากพระไทยที่บริสุทธิ์ด้นล้ว น, วนผู้หาของจริงอยู่แล้วทําไมจะไม่ยึดเอาของจริงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหัวใจเล่านี่นแหละ่ะ ที่ความจริงของผู้รู้ธรรมเป็นเช่นนี้<อ>เช่นเดียวกับหมอปริญญาที่เรียนมาแล้วโดยความถูกต้องแม่นยำทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างตลอดดุจยาและวิชาความรู้นํามาใช้จริงไม่ผิดพลาดนี่ก็พภาสาวกทั้งหลายท่านเป็นเช่นนั้นและครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เหมือนกันผู้ที่ท่า น, นดําเนินมาแล้วคลิดก็เป็นครูท่านถูกเป็นครูท่านนําเอาทั้งผิดทั้งถูกนั้นแหละมาสั่งสอน บรรดาลูกศิษย์ลูกหาด้วยความถูกต้องแน่นยำจะไม่ผิดเหมือนอย่างท่านที่เคยดำเนินมาก่อนนี่เนี่ยการสอนจึงลาบากนะการสอนทางด้านจิตตภา r นาเพียงแต่เราจะ จ, จดจําเอาจากคัมภีร์บาลานมานั้นดังที่กล่าวแล้วว่าสาธุไม่ประมาทเราจะนํามาสอนไม่ถูกต้งองเพราะเราไม่รู้ว่าธรรมะบท น, นั้นบท น, นั้นจะสอนเวลาใดสอนในการใดสอนในขณะใดในขั้นในภูมิใดของจิต ภาวนาของแต่ละขั้นละภูมิของผู้บําเพ็ญทั้งหลายนี่สอนไม่ถูกนํามาใช้ไม่ถูกนะแต่ถ้าเป็นผู้รู้แล้วเห็นแล้วในทางภาคปฏิบัตินับตั้งแต่สมาธิขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้วจะสอนตรงไหนสอนได้ทั้งนั้นพ้ารู้แล้วทั้งนั้นนี่ใครจะควรสอนอยู่ในธรรมบทใดควรจะได้สอนในธรรมแขนงใดแง่ใแดแงไหนรู้เข้าใจเข้าใจเข้าใจต้องสอนให้ได้ถูกต้องโดยไม่ต้องสงสัยนี่ละ่ะจึงเป็นที่นอนใจ บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ไปหาครูบาอาจารย์ผู้ท่านถูกต้องแม่นยำแล้วผลจึงเป็นที่คาดหมากันได้ว่าไม่สงสัยขอให้ทุกๆท่านได้ตั้งออกตั้งใจเรื่องนี้เราอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของเที่ยงแน่หนามันคงแรงนักนะพัดพากจากกันไปทั้งไปทั้งมาทั้งเป็นทั้งตายพัดพากันอยู่ตลอดเวลาโลกคำว่าอันนี้จังอนนี้จังทุกขันตาจะเป็นอะไรไปถ้ามาใช่เป็นตั้งแต่พวกเรานี้ไปทุกลูกทุกนามจนกระั้งถึงครอบบุคลธรรมมันเป็นแบบเดียวกันหมดนี้ จะมานอนใจได้เลยแล้วการเกิดจากจะตายไม่ใช่เป็นของกินชาหน้าด้านนะเป็นทุกข์จริงๆเช่นอย่างไฟเผาเรานั่นแหละเราชินชาได้ไหมไฟเผาเราทุกเผาเราก็เหมือนกันทุกภพทุกชาติเกิดต้อง ต, ต้องมีความทุกข์มาแล้วเพราะเริ่มเกิดก็เริ่มทุกข์มาแล้วนี่จะว่าอย่างไรเริ่มปรากฏทุกข์ขึ้นมาอย่างชัดๆแล้วตายก็เหมือนกันความเป็นอยู่แต่และพวรทธชาติมันหาความสุขความสบายที่ไหนได้เป็นแต่เพียงไม่พูดออกมาทุกขณะจิตที่แสดงตัว ทุกขณะที่ทุกแสดงตัวภายในร่างกายของเราและสัตว์ทั้งหลายเขาก็เป็นอย่างเดียวกันเพราะอำนาจของกิเลสนี้แหละเป็นตัวสําคัญที่สุดที่สร้างทุกให้สัตว์โลกโดยทั่วกันได้รับความลําบากลําบนไม่สงสัยจึงขอให้พากันพินิษฐพิจารณาให้เห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ภายในใจิตใจของเรายาได้ชินชากันแล้วเร่งรีบเร่ ง, เร ง, เรงค้นคว้าคุณงามความดีที่จะให้หลุดพ้นจากมันเสจะได้วันนี้ขณะนี้ยิ่งเป็นของที่วิเศษที่สุดแล้วในในเรื่องการ พ้นจากทุกข์นะในอละการแสดงก็เห็นว่าสมควรตอนนี้เริ่มเริ่มปรากฏแล้วนี่ย ม, มันก็มีวาสนามาเหมือนกันนะไม่จะเกิดเป็นจัดก็ไม่ลําบากลำบนมาอยู่กับเราเราเลี้ยงดูมันอู้อิ่น ม, มีพีหมาทุกตัวทุกเวลาไม่มีว่ามีโอ้โโยอ่ะเช้าก็ให้กินจะ้ะแล้วตอนเย็นก็ให้กินกลางวันไม่เห็นมันกินมันไม่สนใจกนละางวัน เอาอะไกินม็ไม่มันก็รู้เวลาเหกันนะเพราะฉะนั้นถึงให้แต่ตอนเชา้าทำงานแล้วก็ให้ทีนีะแล้วก็ตอนเย็ยนห้ามงเย็ยนให้อีกทีนะอย่นั้นก็นอันนมให้เดี๋ยวนี้นมก็ไม่ค่อยเอาละมันมีทั้งหมดมันเป็นล่าสานาของมันนะสัตว์ที่ได้รับความทุกข์ความพลมานและคนที่ได้รับความทุกข์ความลำบากมากกว่านี้มีเยอะนะเราอยาเห็นว่าว่าสัตว์ก็เป็นของต่ํานั้ต้องมองตามมองด้วยความยุติธรรมสิ เมาด้วยความเป็นธรรมคนก็สูงกว่ามันอะไรที่ไหนคนนั้นรับความทุกข์ความลำบากมากมายิ่งกว่ามานี้เยอะล่วต้องคิดอย่างนั้นสิ่านจะไม่ประมาทกัน เ, เทศที่ไไรท่านย้อนไปคิดถึงทวแม่ครูอาจารย์มั่นนอท่านสอนเพราะท่านสอนมีแต่พระล้นวน แต่เวลาประชุมกลางคืนนั้นมักจะไม่ค่อยมีพระมากขนาดนี้เพราะน้องผือก็รับได้มากอย่างสามสิบห้าสามหกเป็นอย่างมากในปีหนึ่งนักข่าวมากกว่านั้นสามเอ็ดสามสิบสองสายห้าสายหกเป็นอย่างมากในวันน้องผือเวลาประชุมกลางคืนก็วัดอื่นจะมาฟังก็ลําบากสิก็มีแต่วันน้องผือท่านทุน หน้าทันขึ้นด้วสมาธิไปเลยหรอหมนติวติวติวเลยนะนะฟังให้มันพูดไม่ถูกนะมันเหมือนกับว่าเคริมเลยไม่ใช่เคริมไปหลับนะมันเคริมไปด้ดวความเพลินได้วความสงบใจเ ย, ย็นใจเงียบไปอย่างนั้นะเป็นลักษณะเงียบไปไมีแต่ความรู้เด่นเสียงท่านแล้วเวลาจิตมัน มันละเอียดของมันเต็มที่แล้วเสียงมันอยู่แผ่นเผยแล้วแวแงอยู่สูงสู ง, ง, งไม่ลืมะกิด ท, ทั้งเราไปแลาฟังเทศท่านเป็นยังไงยังไงไม่เหมือนไปหาท่านทีแรกฟังไม่รู้เรื่องเลย<ท>ผมไม่เดิมเหมอนไปหาท่านทีแรกกินกำลังทั้งๆกิจกําลังเสริมไปหาท่ททททนนานเสื่อมเต็มที่แล้วจะไม่มีอะไรเหลือบางท่าน S 1> <S 1> <S 1> เหลือแต่นายกเราไม่มีอะไรเหลือเราคุณธทําไม่มีเราสมาธิทำไม่มีปีแรกนะท่้นปีภรษาแรกไม่เรื่องอะไรมีแบกตั้งแต่ความรุ่มร้อน <S <S ม่เป็นฟืนเป็นไฟไาย้มจะเกียบตะกายบางคืนไม่นอนเลยก็ไม่เรียลเสื่อมต่อหน้าต่อตา มัเห็นชัดจำไม่ชัดมันไม่ใช่เป็นสัญญาเสีแล้วมันกลายเป็นสัจธรรมเลยมันเลยไม่ลืมมันฝังใจลักษณะเหมือนมาฝังใจจำไม่ลืมเข็ดเข็ด ย, ยังประจับใจเห็นต่อหน้าต่อตารู้ต่อหน้าต่อตาประจับใจอยู่องพอพรรษาแล้วท่านก็จากวันโคกไปอยู่บ้านน้ำมลต์เราก็ขึ้นเขา ว่าจากเขาเเขาก็ขึ้นไปทางลุบนั่ล่างลุกะสะทงกระสะบานากกอบไปล่างไปลงมาก็มาท่านตอนนั้นท่านออกจากบ้านนั้นนาี่บ้านนามนไปอยู่นาจีนวนพ น, นาโมนก็มีพระยุงท่านมากท่านขี้เกียจท่านไม่อยกอย่เข้าไปนาีนวนบัตรร่างของยาคูธงชื่อธง ยาคูก็ยายาคูล่ะสึกไปแล้วล่ะยาคูถงเลนตอนล้นางเราไปอยู่นั่นมีแล้วกติหลังเดียวใหญ่ๆแล้วไปอยู่อแอมตางนั้นในป่าทําร้านอยู่แล้วก่อนอยู่ร้านก่อนตอนนังท่านเลยสั่งให้โยมมาสร้างกุฏิให้หลังหนึ่งนะเ <c oughs> วลาท่านจะสร้างหขาบายดีนะมึงไม่ลืมอุบายตอนบิณฑบาตตอนเช้าแนละ้วพอไม่แต่ กตี้ยในสมหาได้ตาสมหาตูโปอยู่มั้นหนขึ้นนุ่งหมดมันกัดออกสันเมื่อเห็นบอกสันน่นมันงีนนีหมดชนิดนึงมันออกขึ้นเน่าท่านไปนั่งเดี๋ยวไปดูกับกบต้นใหม่หมดมันตายออกมาันาขึ้นกันกับกัดเล่าน่ะตาตูตาโปเล่นท่านนี้ไหมดูกับต้นใหม่เนาะคนหลูตาตูตาโปมื่อไร้สั ยุธเทว่นตาบอแล้วก็ต้องเช็ดบอดแล้วคตาจมวัดอีกคนบอดอย่างนว่ามีเขาขันนี่ยเพก็ผู้าออกมาหล่นมาซอยเห็นอย่งนี้อายุกุฏิแล้วก็อายุห่านนั่นเนี้ยมันเร่งกันว่อนว่อนไปรูดเงินกันที่ว่ามันเจริญแล้วเสื่อมเจริแล้วเสื่อมแล้วปล่อยหมดเอาจะแล้จะเสือมก็เสือมไปแต่นี้จะไม่ปล่อยแต่พุทโธวางมันมันอะไรมันหมดแล้ว ออเสื่อมไปมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตานี่ทอดไปล้วหมดอะไรจะเสื่อมก็เสื่อมเถอะแต่แตพุโทโธจะไม่ปล่อยทีนี้จะเอากพุโทโธเช่นั้ น, นปัดกวาดลานวัดท่านไปแล้วเราอยู่คนเดียวนี่ตอนนั้นเราอยู่คนเดียวนะมาและวอยู่คนเดียวจริงๆไม่มใครอยู่คนเดียวปัดกวาดลานวัดโรงเรียนกว้างโอ้โอ พุทโธยังไม่ถอยเลยไม่ให้มันเผล่นี่ไม่เอาอะไรยริงมันจะพุทโธมันก็แปลกนั่ะไม่เพียงแต่เรานั่งสมาธิภาวนาด้วยคําบริกรรมพุทโธนะเรายืนเราเดินเรานั่งแล้วไปไหนมาไหนเราบริกรรมพุท โ, โธทุทตลอดนี่ถึงเวลาที่มันมันพุทโธละเอียดก็จนม่ตั้งถึงหาที่จับผมไม่ได้นะผมยังไม่ดืมนะเยนี่ที่จะทําไง มาพุโทโธก็ไม่ปรากฏทําไงอันตั้งที่รู้อยู่นี่มาพุาโทโธก็ไม่ปรากฏจะทําไงนี้วะยืนยืนเดินอยู่นะถึงขั้นมันละเอียดนะกว่าพุโทโธไม่หยุดนี่ความเผลอไม่เผลอไม่ให้เผลอไปเลยเนี่ยไปไหนเลยมันก็สุดท้ายมันก็มันก็สร้างความละเอียดขึ้นให้เห็นนะจี่าพูทโธก็เลยจะแต่จะว่าไงว่าพุโทโธก็ไม่ปรากฏามีแต่รู้เฉยเด่น พุทโธก็ปรากฏทําไงอยู่ทำไงเจ้าของอะแรนะวงบนเย็นเจ้าของน่ะยังไงยังไงพุทโธก็ไม่ปรากฏแล้วตีทำไมทำไมปรากฏก็มันมีแต่รูอ่องรูทีก่อนนะรู ด, ดูแต่รูนี่เอาดูดูรูแทนพุโทโธบางันนะิงนะเพราะมันเข็ดนี่นะ่ที่ว่าไม่ปล่อยพุโทโธดังนั้นคำว่าพุโทโธมันก็มันก็ยึดไม่ได้นี่จะทําไงมันละเอียดไปเสนะีหมดนะเหลือแต่ความรู้ที่ปรากฏเด่นเอาเอาเอาเอารู้นะี่ยเป็นแทนพุโทโธนะ่ะ นรู้อยู่นี่อ้าวทา น, นึกไม่รู้ไม่นึกมันรู้อยู่นี่บางอันนะมันถึงขนาดนั้นมันมีเป็นบางครั้งอ่ะยืนเดินได้ยสบายนี่เดินยังกลมมา น, นี่พุโทโธไม่ไ ม, ไม่ไม่ปรากฏเลยจะทําไมแต่ทั้งเราไม่ได้เผลอไปไหนนี่รู้อยู่เนี่ย่ะพุโทโธหายเอาเลยหายต่อหน้าต่อต า, าแล้วแต่ความรู้เด่นนั่นแหะที่ว่าพุโทโธกับ คำว่มมาพุโทโธกับความรู้คืนเป็นอันเดียวกันมันเป็นอย่างนั้นเอง ย, อย้อนไปย้อนมาเรื่อต่อมาเวลามันผ่านไปมันก็รู้เองตอนนั้นเราไม่รู้นี่เรากลัวแต่พุโทโธมีเนี่ยกลัวไอ้กิตมันจะทะเลตะไลหนีไปเสื่อมเหมือนยังตะกอนนั้นอ่ะที่เรากลัวนะ่กวนะกลัวหนักกลหนาขนาดนั้นนะ <c oughs> อยู่คนเดียวกับท่านเลยอยู่คนเดียวปัดกวาดอยู่คอยท่านท่านไปเผาศพ หลวงปู่เขาท่านยิ่ยังแล้วไปพอประมาณท่านจะกลับมาแล้วเราไปดับท่านที่ธ า, าตุพนมวัดอ้อมแ้วไปอยู่บ้านฝ่งแดงก่อนฝ่งแดง <c oughs> สามแยกน้ำกำาไปพรเพราไหน รเ้เสร็จแล้วก็การเรา ก, ก็จะไ ป, ไปถามใครในที่ทราบมาท่านมาถึงแล้วว่เราก็เลยไปหาท่านเลยกลับมากลับมาบ้านน้ำมนมาจามัสาทีน่น้ำมนต์ังนี้จะมาวัดกันตรงนั้น่ะที่วัา น, น้ำนตม่เนี่ยมันมจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดามันมันลืมไม่ได้อันนี้เพราะเรื่องถึงเป็นถึงตายมันจะลืมได้ยังไงควาเพียงเราถึงขั้นเป็นตายกันเอง อีกผมผมผมบอกชัดๆได้อบอกกับตัวเองเลยไม่ทรามันจะตายท่าไหนนะมันจะตายจริงๆอ่ะนิสัยอางนี้มันเป็นได้จริงๆอะผมผมเชื่อเจ้าของนะคือว่าถ้าเราจิตเสื่อมก้อนนี้เราต้องตายทอนนั้นเราจะอยู่ต่อไปอย่างไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตจริงเสื่อมไปไม่ได้ถ้าเราไม่ตายนั่นมันออกกันตรงนั้นนะเรามีก็ว่าคําตากับจิตเสื่อมนี่เป็นอันเดียวกันเอา้าวก็ลงได้เสื่อมก็ต้องตายไปเลยไม่ท่าไหนท่านอันนี้นนนนนนนนนที่ต้องผ่าน มันจึงได้เข้มแข็งอย่างะมันก็เริ่มมันไม่เสื่อมมาตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่อยู่มันมันหักมันมันกระเข็ดมันเลถึงไปอไปถ้าพนมมันก็ไม่ได้เสื่อมมันเด่นน้ำมันนี่แต่มันไม่ปรากฏละที่ว่ามันเสื่อมน่ะตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่อยู่หน้านวนกลับมาก็ยิ่งเอาใหญ่เลยอื เหมือนจะขึ้นบนตะพองมันได้แล้วขอกระหน่ำลงแล้ช่างมันเข็ดเหมือนกมันเกียดมันแข้งเต็มทีมันเพียนมันเต็มเด็ดจริงนะในพรรษาเนี่ยผมไม่ได้นอนนะกลางกลางวันผมไม่นอนเว้นแต่วันไหนได้เราได้นั่งตลอดดุ่งแล้วเราจะพักกลางวันให้ ถ้าเรานอนธรรมดานี่กลางวันเราจะไม่นอนแต่มันจะง่วงเพราะเราไปเดินอยู่ผมเยอหง่วงมาอาบน้ําเสียบางทีมันมีเหมือนกันนะมันจะง่วงหาอาบน้ําจะบังกักข้างมันก็หับมันจะง่วงนะไม่ยอมไปนั่งภาวนามันมันง่วงมันหลับด้นั่งภาวนาไม่เอาตั้งเสกใจจานไม่นอนกลางวันไม่ชีวิต ความเป็นน่าบวชน้องเรานี่มีพรรษานั่นเราหนักมากที่สุดทั้งจิตก็หนักทั้งร่างกายก็หนักคือโหอมต่แต่ความเพียรเองทุ่มหนุนทุ่มหนุนหนักมากเสมอกันจิตกับกายหนักมากทั้งอภอภากันจากนั้นก็สบายมันเป็นสมาธิแล้วก็สบายเย็นไปนั่นงเ ย, ย็นมาตายม ย, ย่างนั้นสมไม่ออกไปไหน <c oughs> จะมาช่างถึง พ่อแม่กูจันทร์ไล่ไอออกจากสมาธิมันถึงได้ออกออกแล้วทีนี้มันถึงเป็นเป็นกงจักกันเลยคราวนี้นะทีนี้เป็นทุกขละบันโุกทุกอย่างถึงขั้นมันออกพอมันรู้เรื่องรู้ราวท่างได้เหตุได้ผลทางปัญญาแล้วมันไม่ถอยถอยไม่ได้ที่นี้มันเลยเป็นภาวนามายะปัญญานะเราถึงได้กล้าพูดว่าภาวนามายะปัญญาเป็นยังไงน่ะนี่ ภาวนาเมญปัญญานี่เองเป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสน่ะคือตามเมญปัญญาได้ยินได้ฟังเกิดปัญญาเพราะการได้ยินได้ฟังก็ยังไม่เท่าไหร่แต่มันคือแตงรวมปัญหาตรงนั้นยินตามเมญะปัญญาคิดอ่านแต่จองก็เป็นปัญญาประเภทแต่ยังไม่จับได้เด่นในการฆ่ากิเลสเหมือนภาวนาเมญปัญญาเพราะมันก้าวกล้าก็ถึงภาวนาเมญะปัญญามันเป็นเองที่นี่เป็นปัญญาอีก่ตอ ยิงึงแน่ว่าเป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสทีิงอืมจิงจริงอันนี้เมืองไม่เป็นในหัวใจใดมันก็ไม่ทราบจะพูดไปยังไงนะถ้ามันเป็นแล้วมันก็พูดได้สบายเหมือนกันก็มันเป็นมันรู้มันเป็ น, นี่จะไม่ให้พูดได้ยังไงก็มันเป็นอยู่กับตัวเองนี่มันเป็นยังไงยังไงมันรู้เจ้าของมันูดรู้ทั้งนั้นทําไมจะพูดไม่ได้เนี่ย มันชัดกันอย่างนั้นมันก็ง่ายสิเมื่อมันเป็นเมืแล้วเป็นก็ใคยคๆกับพูดได้ถ้ามันไม่เป็นแล้วมันจนเท่ายังตายมันก็ไม่พูดไม่ได้จะว่าไงจะเอาอะไรมาพูดกับมันไม่เป็นเนี่ยเวลามันเป็นแล้วมันพูดได้อยงนั้นนะว่าผู้ใหญ่เด็กอายุเจดขวบท่านก็พูดได้ทั้งเด็กแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นนะท่านที่จาสามเณน ก็ไินรราดกับอา จ, จารย์เป็นของ ด, อ ด, ดับลูกศรเอามาพิจารณาเขาดับลูกศรเขาดัดให้คงแนวดับลูกศรสําหรับยิงไม่กมาดับแต่ขอ ง, ง น, นั้นคงแนวด้วยท่าเอามาคิดมาพิจารณาเนี่ยท่านก็เป็น ป, ปัญญาขึ้นมาขั้นพวกขั้นวิปกีจันยูอุกติอุกติจันยู โอเคจะรู้รวดเร็วกันน่สัญจาสามเนนอะไรนาคสามัเนนหลายหายสามเนนนะที่เด็บันดุผมจำวดามีอยู่ในหลักหนังสือแปลประโยคมีหลายเนนสามเนนที่สำเร็จอาจารย์ตอนอายุเจ็ดขวบนะมีหลายเนนเนหนึ่ตอนเนนไหนบ้งเนนหนึ่งได้อุบายหนึ่งมาดัดเจ้าของเนนเมื่านเนนหนึ่งบางบางเนนนะ โปรงผมลงมาใชผมตกมาทีนาที่เสออ้นอนหันในขณะที่โปรงผมมีมีหลายหลายองค์ที่เน้นเส็กตั้งแต่เจ็ดปวืก ม, มันพูดได้แต่ม่าจะพูดไม่ได้ก็มันเป็นอยู่ที่หัวใจกระเทือนเหมือนกับกระเทือนโลกธาตุในหัวใจมันก็พูดได้ด้วยเนั้นไม่รู้มันพูดไม่ได้มันอัดอั้นตันใจ เอาะไรมาูกมีแต่กิเลสเป็นปิดไปหมดทําเปิดออกให้เล่นลวดลายออกลวดลายไม่ได้มีแต่ลวดลายกิเลสมันปิดหมดทําหาลวดลายไม่ได้ถูกกิเลสมันปิดหมดใจดวงเดียวนั่นพอได้เปิดมันออกแล้วโอ้โอกิเลสมันพังหมดแล้วมีแต่ทาแสดงลวดลายอยู่ไหนมันแสดงือมันเบิงบ้างไวง้ไม่มีอะไรมาจีดมากมากัน้นมาขวางือ ก่อนมีแต่อันเดียวนะมันกีดมันขวางกีบบี้สีไฟอยู่แล้วกีดแล้วขวางช่องไหนก็เป็นช่องมันออกเสียงกิเดสออกเสียช่องไหนมีจีบทวารมันก็ออกสมุหมดตามันก็ออกไปก่อนเสียงหูมันก็ออกไปเสียจมูกลิ้นกายมันก็ออกเสียสุดท้ายใจมันก็ออกทั้งวันทั้งคืนคิดทั้งวันทั้งคืนว่าไงนี่มิตรทางออกของกิเลสทั้งออกของธรรมไม่มีเมื่อถึงขั้นทํา ทีของธรรมเมื่อถึงทีของธรรมแล้วเอาลหลักนิมิตวางมันนี่จะทำออกมันนี่กิเลสออกไม่ได้ข้าวข้า ว, าวแหลกแหลกทางตาก็ทําออกเสือหูจมูกลิ้นกายทําออกเสี ย, ย, ออ ส, ยสุดท้ายมีอยู่ภายใน จ, ใจิตใจก็ทําออกนี่จะทําเล่นลวดลายอย่างนั้นสแสดงลวดลายอยู่ภายในจิตอยู่บนเวทีคือจิต <S 2> <S 2> <S 2> นีมาถึงข้าวถึงวาระของธรรมแล้วปอย่างนั้นเราเคยพูดเสมอว่าอํานาจของกิเลสมันมันสร้างตัวของมันขนาดไหน ไม่เลือกการสถานที่เวลาเวลาอิเดียบทั้งใดน่ะเมื่อทํำด้วยมีอานาจแล้วก็สร้างตัวเช่นเดียวกันนั้นะอืในการสร้างสติปัญญาของตัวเองสร้างทำขึ้นมาภายในตัวเองเป็นการฆ่ากิเลสภายในตัวเสร็จในขณะเดียวกันนั้นเดียวกันนั้นเดียวกันนั้นเลยล่ะจนกระทั่งถึงกิเลสมันพังไปซะ จ, จนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วทำเหล่านี่กับรูปตัวเองยจะฆ่าอะไรนี่นี่ฟังสิ มุนเป็นธรรมจักรหมุนก็หยุดมันไม่หยุดจะไปฆ่ากับอะไรฉันที่ติโกบอกชัดเจนแล้วตั้งแต่ขณะเป็นขึ้นมาอเลยไปฆ่ากับอะไรถึงเวลาที่จะใช้ก็ใช้เดทำบทํา บ, บรืดเรื่องราวอะไรที่ควรจะพิาจารณาอยากดื้อต้นแค่ไหนเมื่อสัมผัสัมพันธ์ก็มันก็ไปไปทางความสัมผัสัมพันธ์พอเข้าใจแล้วแล้วก็ปล่อยเสียๆๆเเงียบไปเสียมันไม่เหมือนกับกิเลสกิเลสโหได้เหรือ ถ้าไม่เอาให้มันตายซะแล้วมันจะฟัดเราเนีิว่างเพราะมันถึงได้เกียดได้แค้นกันขึ้นขนาดนั้นได้ไหอืมเอามันเป็นอยากให้ห ม, มู่เพื่อนเห็นหมู่เพื่อนรู้อยากเติหัวใจเราก็ดีสงสารอย่าง น, นี้เนี้ยออเจ็บหลังก็เจ็บออเป็นจะตายเรคิดเห็นหัวใจแต่และดวงละดวงนี่นมุ่งมานี่เพื่ออะไรเนี่ยก็นั่นเนี้ย ที่ทาให้บึกบึนนะแผ่นดินก็กว้างแสนกว้างทำไมไม่ไปมาทาไมที่นี่เนะี่ยมาที่นี่เพื่ออะไรเนะี่ยมันก็เป็นเครื่องประกาศสะเทือนอยู่ในหัวใจเรานี่เมื่อพอมาได้เราก็มาเมื่อพอเทศพอพูดได้ก็พูดอย่างนี้เนะพราะเอาใจข้องจจอของออกกลางนี่ใจใครก็เหมือนกัน มันเยือมแล้วนยิงเผาเพราะแม่ครูอาจารย์มันจิตทั้งดวงมีแต่ความสงสัยเรียนมาเป็นมหาก็เป็นถึงแต่ชื่ อ, อยริงๆทางที่จะเดินเพื่อมาขนนี่ผ่านมันมืดแปดทิศแปดด้านเช่นเดียวกับผู้ไม่ได้เรียนนี่ว่าไงไมันเป็ น, นะน อ, อ, อ, อย่างนั้นจริงๆนะเวลามันมืดมืดอย่างนั้นกระทั่งครูบาอาจารย์ท่านเปิดท่องเปิดทางให้บอกวิธีการให้ภาวนายอย่างนั้นๆแล้วค่อยทํรมอาจารท่านมันก็ค่อยรุ้น เนี่ยรูทางไปเดี๋ยวไปนกระทั่งถึงมันเปิดตัวเองขึ้นมาแล้ว out ที่นี่อ่ะละอย่างที่ว่าภาวนาแม่ปัญญาแล้วอยู่ใครไม่ได้ลงภาวนาแม่ปัญญาได้เกิดแล้วได้ทํางานด้วยภาวนาแม่ปัญญาแล้วดูกับใครอยู่ไม่ได้ว่าไงมันเสียเวลาไม่ใช่อะไรนะมันก็เหมือนกับนั่งมือตะลุมบังเนี่ยกรรมการจะไปยุ่งได้ไง ก, กำกําลังตะลุมบ อ, อือเดี๋ยวกรรมาการน้าผากแตกนะั่นเนี่ย มันจะถูกหมัดหลงอ่ะเนี่ยนี่ก็เหมือนกัน ก, นกำลังตะลุมบอนภาวนามพราปัญญาเป็นอย่างนั้นนี่เป็นมาแล้วเห็นประจักษ์กับตัวเองนี่จึงกล้าพูดได้ทุกอย่างเท่าเท่าที่จะกองเห็นจะขอ ง, องรู้ไปไหมาอย่างไงบ้างนั่็พูดได้เี่หาอยู่ที่ป่ า, ปาลูกรก ยินทาบาทพอยังอัตภาพไม่เป็นไปประมาณพอแล้วพอแล้วพอแล้วอย่างนั้นติ๋วติ๋วติว๋วเดินมุ่กลมกลนมันไม่รู้เวลานะมันไม่สนใจกับเวลาเวลานราก็รู้มันเมื่อยมันเพียนะคือมันเทินอยู่ข้างไหนมุนติ๋วติ๋วไม่ออกไปไหนเลยาคําว่ามืด ตัวนี้มันไม่มันไม่ปล่อยมันตะลุมบอนกันหลอดไม่บางทีก็แหมเมื่อไหร่มันจะได้ปล่อยได้หวางดึกทีมันทําไมถึงนั่งหนาถึงนั่งหนาผิดคาดที่มานนักหนาว่าจะของแล้วพอพอพอจบลงไปมันก็ใส่กันอีกยิ่งั้นเสียถึงเวลามันตะลุมมันตะลุมยิงตะลุมบอเมินที่บาดมาฉัน จัดอาหารอะไรฉันมันไม่ได้อยู่กับอาหารเนี่ยมันอยู่กับฟัดกันอยู่ในนี่ยมันขนาดนั้นนะฉันอาหารเนี่มันก็มันจะไม่ได้สนใจกับรสกับชาติแต่มันหมุนกันอยู่นี่เรียกว่าตรุมวางอยู่ตลอดนั่นนั่นแหละถึงเราสติปัญญาอัตโนมาติหรือภาวนามยปัญญามณเป็นของมันอย่างนั้นยังเพลินนะของอาหารเอาไว้แล้วเท่านั้นแหละไม่ได้เพล อยู่นี่จ่อะไรจ่าอะไรมันมันเป็นหลักธรรมชาติแล้วมันจ่าอะไรมาเผลอเมื่อมันเป็นหลักธรรมชาติของมันมันไม่ได้ตั้งมันตั้งมันอยู่เองตั้งมันอยู่อย่างนั้นเราจะเอาอะไรไปตั้งมันเต้นตั้งสติก็มันตั้งมันอยู่แล้วนี่เนี่ยพอตื่นมาพับนี้มันเป็นทั้งมันแล้วหมุนเกีดยวยู่แล้งานอะไรที่ยังไม่เสียจมันจะปรับปั๊บก็เลยเข้าของนั้นเลยยังงทั้งมันมันเสร็จตนี้มันปล่อยนี้แล้วมันก็คุยเขียวคุยเขียวเป็นงานอันหนึ่ง กุยเคี่ยวหายยงเดือนั่แหละกุยเคียวหาย่เอดในใจมันก็เป็นงานเนึ่ยพอเจอกันพาพก็าได้งานหนึ่งแล้วนี่ยเอาเองแล้วนะที่พระสุนต์ท่านเดินโยมกลมฝ่าเท้าแตกจะผีดุจตุกตาตามแต่ผมแน่ในหัวใจเจ้าของเองท่านทําไมถึงเดินจยมกลมถึงฝ่าเท้าแตกก็เพราะเห็นนี้เองผมว่ามันนะยังลําพังจะไปบังคับเจ้าของให้เดินไปเดิน มาไม่ได้เรื่องได้ราอะไรแต่จะบังคับความเพียรทั้งสองให้จนฝ่าเท้าแต่นี่ผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากมากที่สุดเลยแต่ถ้าเรื่องของของอันนี้แล้วเป็นไปได้ร้อยปอร์เซนว่าอย่างนั้นเลยมันยอมรับทันตีหรือหรือเป็นพยานก็เป็นได้เลยถ้าว่าเป็นพยานั่นเราเป็นพยานเป็นบ้าก็ตามเป็นบ้ายี่เลยก็เราได้เป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมมันมีเรื่องเวลาที่ไหนมันหมุนกันอยู่นี่มันไม่ได้กําหนดเวลาเวลาอะไรเลยเนี่ยอื นี่เดินไปจนกระทั่งถึงเรามันฝ่าเท้าแตกแต่มันออกร้อนเหมือนไฟเหมือนไฟล น, นฝ่าเท้านี่โอ้โหมาพอมานั่งออกจากที่ภาวนามันมันออกร้อนเหมือนไฟลวกนะนั่นอ่ะมันออกจากนั้นไปมันก็จะฝ่าเท้าแตกเลยจะวางไหมมันยังไม่ถึงกับแตกเราหากเป็นพยานกันได้ชัดเจนเราเราเรานี่ยตามความรู้สึกของเราใครจะว่าเราบ้าก็ตาม อย่างนี้มันเป็นไปได้ฝ่าเท้าแตกคือเพลินในความเพลินของไม่มีร่ำมีลาเลยไม่รู้คําว่าหนาววันร้อนมันหนาวอะไรร้อนที่ไหนมันไม่ได้สนใจกอะอกก็เลยกลางวันจัดแสงเมื่อแต่หมดทั้งตัวยังไม่เห็นว่ามันร้อนไม่ไม่สนใจหมุนจิ๋งจิ๋วนั่นฝ่าเท้าแตกได้อืเรายอมรับว่าฝ่าเท้าแตกด้วยความเพลินในการภาวนาของท่านโดยทางอัตโนมตัติหรือโดยทรรมาภาวน า, าปัญญาปัญญา แราว่านั่นแห้ะกับภระสุนทรนะจันหนักความเปลีย่ยนแปลงกลางามันมีข้อยืนยันกันดมันก็ยอมรับกันเองยอมรับกันเองถ้าไม่มีข้อยืนยันภายในตัวเราเจะอะไรมายอมรับกันอย่างพระพุทธเจ้าและพระสาวุท่านยอมรับกันด้วย การจะทําคือความยินได้รู้ความจริงเห็นจริงเท่ากันน่ะอันนี้เป็นเครื่องยืนยันในหัวใจของแล้วก็ยอมรับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเราก่อนช่วยด้วยซ้ําไปท่านรู้ก่อนทันทีเรามาสอนไม่เรามารู้ทีหลังนั่นทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้ามีเหลือเมื่อเรายอมเจ้าของเราแล้วน่ะเรายอมเรายอมรับเราแล้วทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้ามีเนลือนั่นหละมันอยู่ตรงนี้การปฏิพันธ์ น่นมันแตกต่างกันความปรินิาพานเป็นอาการหนึ่งที่ท่านจะทิ้งขันท่านจะทิ้งไปตามสบายอามปตย์สัยของท่านบางองค์ท่านนิาพานแบบนั้นแบบนั้นตามแต่อามาตย์สัยของท่านไม่ใช่มีอะไรมาบังคับท่านนะอืมจิตจิตธรรมชาติจิตอรหัตต์จิตนี้เนล้วจะเอาอะไรมาเป็นอมาสร้างขวากสร้างน้ําเป็นค้าศิกต่อจิตดวงนั้นได้หรือ ว, วิธีตายจะตายด้วยวิธีใดจะไปลบล้างความมสุนท่านได้อย่างไร ความรู้สึกเป็นความสุดแล้วขันเป็นขันธาตุเป็นธาตุสมมุติสมมุติมันก็ท่า น, น, นเองทางพระเจ้าท่านแสดงและพูดทางภาษานั้นของเราก็เรียกว่าท่านแสดงลวดลายแห่งความเป็นศัสธรรว่าให้โลกได้เห็นอย่างเต็มภูมิของศาาสัจธรรมนั้นนะท่านเองจะเข้ามาบัดตั้งแต่ปฐมวิชารุ่นพิจารด้วยถึงสัญญาเวทยายแต่โดนแล้วถอยองมาถอยหน้าถ อ, อยหลัง แล้วก็ออกช่องปุ๊บเลยออกล้าเขาข้างที่สองนี่บอกผ่านจะตุรชาญแล้วก็ไม่ไปทั้ง อ, อรูปชาญผ่านผ่านรูปชาญมาแล้วก็ไม่ไปทั้งอรูปชาญออกย่านกลางเลยนั่นท่ามกลางนางรังทั้งขู่เป็นธรไมฐานก่อนนี้แหละรูปชาญรูปชานสีอรูปชาญสีนี้ต้นไม้กับต้นไม้นางรั ง, งทั้งขูนน่นั่นกับอันนั่นก็ใช่เนี่ยอยู่ในท่ามกลางนั่นก็ถูกไมว่มาไงไหม ขอใหมันเีใจของเรามันได้ยืนมันยืนยันเจ้าของเถอะพระพุเจ้าพระสาวมากมาขนาดไหนมันยอมรับหมดเลยแต่เจ้าของไม่ยอมรับแต่อย่างเดียวนั้นดีเดี๋ยวเนี่ยมันถึงไม่ยอมรับอะไรมันก็ยอมรับแต่กิเลสบนหัวใจนนั้นิเหลสมันหลอกไงก็มันหลอกมันต้มจนจนถลอกปอกเบิกไม่มีเนื้อมีหนังก็ยอมมันก็มันมีอันนั้นมีวางไงก็ไมีอย่างอื่น มีทําแล้วก็ยอมทำเลนั่อาศัยเทปดี่เทปแล้วนห้เพื่อนฟังนั่นผมไม่มีกําลังเหนื่อยเหรอเจยบแกล่ะอาแล้วนเวนาะ